การทำบุญทำทานเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจเป็นเหมือนกับรากฐานของตัวอาคารอาคารจะสร้างได้ใหญ่ได้สูงมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่ที่รากฐานของตัวอาคาร อาคารยิ่งสูงยิ่งใหญ่รากฐานก็ต้องมีกำลังมากเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของตัวอาคารถ้ารากฐานไม่แข็งแรงพอสร้างตัวอาคารสูงขึ้นไปเกินน้าหนักเกินกำลังของรากฐานที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ ขานก็ต้องชุดลงมาอมเอียงหรื อ, อล้มลงไปจิตใจจะเจริญขึ้นไปถึงระดับของพระอริยบุคคลถึงระดับของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าได้จำเป็นต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแรงคือการ ทำบุญทำทานการเสียสละการแบ่งปันการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมโลกถ้ามีความตเน่มีความหวงหึงหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่เกินความจำเป็น จะทำให้จิตใจไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าให้สูงขึ้นไปได้เหมือนกับารากฐานของตัวอาคารถ้าไม่มีรากฐานไม่สามารถที่จะสร้างตัวอาคารได้เวลาสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ว่าจะขนาดไหน ต้องมีการขุดดินออกก่อนเพื่อจะได้วางรากฐานรองรับต้นเสาเอา่อนี่คือการทำบุญทำทานต้องวางรากฐานให้แก่จิตใจก่อนให้จิตใจมีความเมตตากรุณาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมโลก ถ้าจิตใจมีการให้มีการเสียสละมีการแบ่งปันจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่สองได้ระดับที่สองก็คือระดับของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือการรักษาศีล ห้านี่เป็นการพัฒนาจิตใจสร้างจิตใจให้ใหญ่ขึ้นให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเหมือนกับการสร้างอาคารการสร้างอาคารก็ต้องสร้างเป็นขั้นเป็นตอนไป สร้างลากฐานแล้วก็ถึงจะขึ้นเสาขึ้นโครงของตัวอาคารเสร็จแล้วถึงจะมีการทำพื้นทำอะไรต่างๆของตัวอาคารเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความสูงของตัวอาคารขึ้นไปตามลำดับจนถึงถึงชั้นสูงสุด ของตัวอาารจิตใจจะพัฒนาจากปุถุชนให้ไปสู่พระอริยบุคคลก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนถ้าข้ามขั้นตอนก็อาจจะล้มเหลวได้เช่นถ้าไม่มีรากฐานที่แน่นหนามั่นคง เดี๋ยวสร้างตัวอาคารให้สูงขึ้นไปพ อ, อน้ำหนักมากขึ้นรากฐานที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะไม่สามารถรับรองน้ำหนักของตัวอาคารได้ตัวอาคารก็ต้องพังลงมาการพัฒนาจิตใจก็เหมือนกันถ้ายัางไม่มีรากฐานที่แข็งแรงคือมีความเมตตากรุณา มีการทำบุญให้ทานมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ให้บริสุทธิ์ได้เพราะผู้ที่ไม่มีความเสียสละแบ่งปันมักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เมื่อเวลาอยากได้อะไรขึ้นมา ก็อาจจะไม่คำนึงถึงความเสียหายความเดือดร้อนของผู้อื่นอพออยากได้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้หรืออยากทำอย่างนั้นหรืออย่างนี้ก็จะไม่คิดถึงผลกระทบทต่อผู้อื่นมุ่งไปสู่ความต้องการเพียงอย่างเดียวก็มักจะทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรม เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้แต่ผู้ที่ได้ทมบุญทาทานเป็นนิเป็นนิสัยแบนมีอุปนิสัยชอบทาบุญทำทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่น ừ. เวลาทำอะไรเวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรก่อนที่จะทำนี้ต้อง วิเคราะห์ดูก่อนว่าทําไปแล้วจะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่เพราะถ้าทำแล้วเกิดความเสียหายก็จะไม่อยากจะทําเพราะมีอุปนิสัยไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับใครชอบสร้างความสุข สร้างความสะดวกความสบายให้แก่ผู้อื่นอันนี้คือความสำคัญของทานที่พระเจ้า ส, สอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นกระทำกันอย่างสม่ำเสมอถ้ามีกำลังที่จะทำได้การกระทำบุญทำทานนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่เพียงแต่การ ให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองท่านั้นการทำบุญด้วยวิธีอื่นก็ยังทำได้ถ้าไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะทำด้วยกายคือกําลังกายก็ได้หรือทำด้วยกําลังความคิดก็ได้คือความรู้เช่นถ้าเรามีความรู้วิชา ต่างๆแล้วมีผู้อยากจะเรียนรู้จากเราถ้าเราสอนเขาโดยที่เราไม่คิดเงินทองไม่ต้องการนับผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการให้เหมือนให้ข้าของเงินทองเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเข้าของเงินทองมาเป็นวิชาความรู้เช่นเปิดฮอปปด การสอนพิเศษให้แก่นักเรียนเรียนวิชากวดวิชาบางวิชาการนิติศาสตร์เคมีอะไรเป็นต้นเหล่านี้ทำโดยที่ไม่คิดเงินคิดทองต่อผู้มาล่ิ่มเรียนอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเป็น วิทยาฐานหรือการใช้กำลังถ้าไม่มีวิความรู้วิชาความรู้แต่มีเวลาว่างมีกำลังกายร่างกายแข็งแรงก็อาจจะไปเป็นอาสาสมัครทำงานให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ต้องการอาสาสมัครมาช่วยกิจกรรมของทาง องคกรอย่างวันนี้ที่วัดมีผู้หลักผู้ใหญ่มาทำบุญมีบรรดาจิตอาสาเป็นพวกข้าราชการที่ทำงานแล้วก็รับเป็นจิตอาสาเวลามีงานอะไรที่ต้องการคนมาช่วยเหลือกันเยอะๆก็เสียสละเวลามาทำ ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนี่ก็เป็นวิธีการทำบุญเหมือนกันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอเพียงอย่างเดียวใช้เวลาว่างที่เรามีอยู่มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ได้อย่างทีมงานที่มาช่วย ถ่ายทอดสดนี่ก็ก็เป็นการทำบุญทำทานทำเป็นการเสียสละบางท่านก็ช่วยซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายทอดเสียงบางท่านก็จ่ายค่าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตบางท่านก็ต้องมานั่งติดติดตั้งระบบทุกวัน มาโดยที่ไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไม่ได้เอาเงินอาทองมาทำทุกวันนี่ก็เป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นธรรมทานก็ได้เพราะว่าเป็นการช่วยเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่อยู่ไกล การเผยแผ่ธรรมะ ส, สมัยนี้เราสามารถเผยแผ่ไปได้อย่างกว้างขวางมีผู้รับชมติดตามนี้ต่างประเทศก็สี่สิบกว่าประเทศแต่ไม่ได้หมายความว่าติดตามกันทุกวันทุกประเทศแต่เท่าที่ได้ทมสถิติว่ามีใครจากที่ประเทศไหนบ้างที่ติดตามฟัง และชมก็ได้ประมาณสี่สิบกว่าในประเทศไทยก็มีเกือบหกสิบกว่าจังหวัดทุกวันนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาประมาณสี่ห้าร้อยคนตามสถิติของเฟ e บุ๊ k เขาเขียนไว้มีผู้แสดงความคิดเห็นสี่ห้าร้อยคนมี ผู้รับชมเจ็ดแปดพันคนมีผู้เข้าถึงสี่มืนห้ามืนคำว่ารับชมกับการเข้าถึงนี้ไม่ทราบเขาแบ่งแยกอย่างไรถ้าเท่าที่ได้ฟังถ้าเพียงแต่รับชมไม่ถึงนาทีเพียงแต่ชมไม่ถึงนาทีหรือนาทีหนึ่งก็ถือว่าเพียงแต่เข้าถึง แต่ถ้าเกินก็เรียกว่ารับชมอแต่ที่แน่นๆะพวกที่ส่งข้อความเข้ามาสี่ห้าร้อยกว่าคนนี่ต้องคิดว่ารับชมตลอดรายการอืเพราะบางคนก็มีการเขียนความคิดเห็นเข้ามาด้วยบางคนก็ส่งคําถามเข้ามาอมือันนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกัน ดีกว่าเอาเวลาไปนั่งกินเหล้านั่งเล่นการพนันไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเอาเวลามาทำประโยชน์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมไปในตัวด้วยและได้ฟังบ่อยการฟังบ่อยๆ น, นี้ไม่เสียหายเพราะธรรมะเป็นวิชาความรู้ที่ยากต่อการเข้าใจ ฟังครั้งสองครั้งนี้อาจจะไม่เข้าใจเพราะมีเป็นศัพท์อะไรต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะเข้าใจศัพท์ว่ามีความหมายอะไรก็ต้องใช้เวลาฟังหลา ย, ลายๆรอบหรืออาจจะต้องไปเปิดค้นหาตามด i กช i น n a r y ว่า คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรทานมีความหมายว่าอย่างไรศีลมีความหมายว่าอย่างไรภาวนามีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องฟังหลายๆครัง้งฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ให้ฟังอทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะว่ามันทำได้เพียงเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขในสมัยพุทธกาลไม่เอื้อต่อการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสมัยนี้สมัยพุทธกาลจะไปฟังธรรมก็ต้องรอให้หยุดทำงานชาวนาชาวไร่ก็ต้องหยุดงานเพื่อที่จะไปวัดต้องไปฟังที่วัดเพราะพระจะแสดงธรรมที่วัด ไม่มีสื่ออย่างอื่นเช่นหนังสือหรือสื่อที่บันทึกเสียงบันทึกภาพเหมือนสมัยนี้ออย่างนั้นก็ต้องรอวันหยุดจะหยุดทุกวันก็ไม่ได้เพราะต้องทํามาหากินต้องไปไล่ไปนาก็อาจจะหยุดได้วันหรือสองวันอส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันวันหนึ่งแล้วก็ไปวัดกัน ถึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมสักครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เรามีสื่อมีการบันทึกธรรมะคาส อ, น ต, าตา อ, อาานต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆไว้ในสื่อต่างๆมีทั้งแบบถ่ายทอดสดและมีบันทึกเก็บเอาไว้ดูย้อนหลังเราสามารถฟังธรรมได้ หลายครั้งต่อหนึ่งวันยิ่งฟังทำแล้วก็จะยิ่งเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้ความสงสัยความไม่เข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ค่อยหมดไปตามลาดับแล้วจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาคือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นตามความเป็นจริงที่ตอนนี้พวกเรายังเห็นไม่ชัดเจนความจริงเป็นอย่างหนึ่งเรามักจะมองไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนบางทีเห็นสุนัขตัวเล็กๆเป็นแมวอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ายังไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงบางทีตาเราพระตาเราลาย เราเห็นสุนัขตัวเล็กขนาดแมวก็อาจจะไปคิดว่าเป็นแมวก็ได้นี่คือสิ่งที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้เรายังไม่เห็นมันตามความเป็นจริงเช่นเราไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเรามักจะไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน เรามักไม่ไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาสัมผัสรับรู้นี่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราไม่ได้แต่เป็นของเราได้ก็เพียงชั่วคราวแตเรามักจะไปคิดว่าเป็นของเราพอเราได้มาแล้วเราก็จะคิดว่าเขาจะเป็นของเราไปตลอด แล้วพอถึงเวลาที่เขาไม่เป็นของเราเราก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอเราไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้หรือมาครอบครองเราครอบครองอะไรเรามักจะคิดว่าเป็นสุขจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะเป็นของเราไปตลอดแต่พอความจริงมันปรากฏขึ้นมามันก็ทำให้เราถึงกับเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจบางครั้งอาจจะถึงกับการคิดฆ่าตัวตายขึ้นมานี่เพราะว่าเรายไม่มีธรรมะคอยสอนใจคอยเตือนใจ ให้มันพิจารณามันเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราครอบครองอยู่รวมไปถึงร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันมีการเจริญแล้วมันต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วมันก็ต้องมีการดับอันนี้ เราไม่คิดกันเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะดับกันเราไม่คิดว่ามันจะเสื่อมกันเพราะเราเวลาได้มามันจ ะ, จะเจริญก่อนเวลาได้ร่างกายมานี้ร่างกายจะมีแต่จเจริญเติบโตออกจากท้องแม่มาก็เริ่มเจริญเติบโตโตวันโตคืน เราก็เคยเคยคิดว่าร่างกายนี้มันจะมีแต่การจริญเติบโตมีแต่ให้ความสุขกับเราแต่พอเราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราถึงจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้สุขสบายตลอดเวลาเดี๋ยวมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ตอนนี้แข็งแรงต่อไปมันจะอ่อนกำลังวังชาลงไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปตามลำดับแล้วในที่สุดมันก็ต้องตายไปนี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นกันอยู่กลอยู่กับมันมาแต่เรากลับมองไม่เห็นมัน เพราะเราไม่มองมันไม่คิดตามความเป็นจริงพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็ไม่ไม่สบายใจพอไม่สบายใจเราเลยไม่ยอมคิดเพอไม่ยอมคิดมันก็เลยลืมก็เลยไม่ก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆทุกอย่างที่เราทำอยู่เป็นประจาทุกวันนี้จะเป็นเหมือนเดิม ถึงเวลาไปทำงานถึงเวลาไปโรงเรียนถึงเวลากินถึงเวลาทำอะไรตามปกติก็จะทำได้เกือบทุกวันเหมือนกันทุกวันก็เลยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันเช่นสุดแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมีเหตุการณ์มาเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆที่เราทำ อาจจะเป็นทางร่างกายเราไม่สบายหรืออาจจะมีเหตุการณ์นอกร่างกายเหตุการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เราชะงักการหาความสุขของเราก็เกิดอุปสรรคขึ้นมาอพอไม่สามารถหาความสุขตามปกติได้ ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของพวกเรามีโอกาสที่จะล้มได้ชีวิตของเราเดินไปอย่างราบเลยราบลื่ น, นเดี๋ยวเผลอๆก็อาจจะสะดุดได้ลื่นล้มได้เหมือนเวลาที่เราเดินบางทีเดี๋ยวเผลอ ก็เดินไปชนอะไรเข้าเดินไปเตะอะไรเข้าแล้วเดินไปเหยียบของลื่นก็ล้มลงไปได้นี่คือเรื่องของขามไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆของชีวิตของพวกเราที่พวกเราไม่ค่อยให้ความสนใจกันไม่ค่อยยอมคิดกัน มักจะคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้วางแผนจะทำอะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นไปตามที่เราวางแผนกันเราก็เลยมีความประมาทช้าละใจคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมบังคับชีวิตของเราให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ไปตลอดแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรม จะได้ยินเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆให้เราหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทไม่มึนเมากับชีวิตชีวิตนี้ไม่เที่ยงจะต้องมีวันจบไม่มึนเมากับสุขภาพร่างกาย ว่าจะแข็งแรงไปตลอดไม่มึนเมาไปกับอายุที่จะต้องแก่ลงไปตามลำดับพระพุทธเจ้าสงสอนให้เราเหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพลาคจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดพลาคจากกันไปไม่ได้อันนี้เป็นทำความรู้ที่เราควรที่จะหมั่นไต่ตรองพิจารณา อยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราไม่ลืมเพราะถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เตรียมตัวหาวิธีรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นธรรมะนอกจากสอน ว่าจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังสอนให้เรารู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยปลอดภัยหมายถึงปลอดจากความทุกข์ใจอามานี้สอนให้เรารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าเกิดความทุกข์ใจก็ให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ช่น หับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาได้อย่างทันทีอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ถ้าเราไม่คิดว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมเเราก็อยู่กันสบายแต่ถ้ากรมอุตุบอกว่าปีนี้น้ําจะท่วมเนี่ยทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นะถ้าเราอยู่ที่ต่ํา มีของที่จะเสียหายจากน้ำท่วมเราก็ต้องอขยับขยายย้ายของย้ายเข้าขอ ง, ของหรือไม่เะนั้นถ้าเราสามารถก่อกำแพงก่ออะไรกันน้ำไม่ให้เข้าบ้านได้เราก็มีเวลาทำไว้ล่วงหน้าก่อนพอเวลาฝนตกน้ำก็จะได้ไม่เข้าบ้าน หรือถ้าเข้าบ้านเราก็ย้ายของที่จะเสียหายให้อยู่ในที่สูงมันก็ไม่เสียหายนี่คือประโยชน์ของการที่จะรู้อนาคตพวกเราอยากจะรู้อนาคตกันอุตส่าห์ไปหาหมอดูกันแต่หมอดูก็เหมือนก็เหมือนหมอเดาหเหมอืหมอนหมอตาบอดดีๆนีเ่เพราะอนาคตที่ควรจะเห็นกับไม่ไม่เห็นกัน ไปหาหมอดูคนไหนหมอดูเคยบอกว่าคุณจะแก่คุณจะเจ็บคุณจะตายไหมไม่บอกอะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาเดี๋ยวจะได้รางวัลเดี๋ยวจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ชีวิตจะสดใสหรือชีวิตจะมัวหมองมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นถ้นี่เป็นเรื่องไร้สาระเะเรื่องที่จำเป็นสำคัญจริงๆเน พระพุทธเจ้านี่แหละเป็นหมอดูที่วิเศษที่สุดเนี่ยทำนายไว้เนี่ยสี่ข้อหนึ่งจะต้องแก่สองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสามจะต้องตายสี่จะต้องพัดพรากจากกันจากทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองลาบยศสลรเสริญหรือคนบุคคลต่างๆ ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้เนี่ยถ้าอยากจะดูดอนาคตเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะอบอกอนาคตให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนแ จ, จ่มแจ้งและจะสอนวิธีให้เรารับกับอนาคตได้อย่างสบาย จะไม่ต้องทุกข์กับความแก่จะไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ต้องทุกข์กับความตายจะไม่ต้องทุกข์เวลามีการพัดพรากจากกันออก็คือมาสอนให้พวกเรามาสร้างพลังใจกันตอนนี้ใจของพวกเราอ่อนแอไม่สามารถรับกับเหตุการณ์ที่สะเทินใจได้ ก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ่าจากกันเราไม่มีกำลังใจที่จะรับมันพอเจอมันนี้เป็นเหมือนเทียนเทียนโดนโดละ ด, ดนไฟมันจะอ่อน ว, วบลงไปใจจะอ่อนไหวทันทีเวลาที่ต้องมาประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอ คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากกันหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเลวร้ายต่างๆพระพุทธเจ้านี้เป็นหมอดูที่วิเศษดูอนาคตที่แม่นยาแล้วก็ยังสอนวิธีที่จะทำให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างสบาย ห, หมอดูเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน แต่เขาดูบางเรื่องเจนเขาดูว่าอาจจะมีภัยบางอย่างให้ทำให้แก้ด้วยการไปบริจาคเงินทองให้ที่นั่นที่นี่แล้วก็จะสะเดาะเคราะห์ได้เขาก็สอนแบบนั้นแต่จะจริงไม่จริงี่เราก็ไม่รู้แต่ที่ของพระเจ้านี้จริงแน่ๆ แล้ ว, วิธีสเดาเคสของพระพุทธเจ้าก็ได้ผลดีได้ประโยชน์ดีก็คือเราต้องมาสร้างพลังให้กับใจของเราพลังของใจเราตอนนี้มีน้อยมากสู้รับกับเหตุการณ์ไม่ได้เวลาเจอเหตุการณ์ล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันโวยวายกันวุ่นวายใจกันเศร้าโศกเสียใจกัน เราต้องมาสร้างพลังของใจในวิธีสร้างพลังของใจก็อย่างที่พูดในตอนเริ่มต้นเราจะสร้างพัฒนาใจให้มีกําลังให้เป็นพระอริยน์นี่ก็ต้องมีเหมือนกับการก่อสร้างอาคารต้องมีขั้นมีตอนขั้นตอนแรกเราก็ต้องมา ทำบุญให้ทานกันก่อนเพื่อที่เราจะได้มีกำลังที่จะรักษาศีลละเว้นการกระ ท, ทําบาปถ้าเราไม่ทําบุญทําทานเราชอบแต่จะเอาอยากจะได้สิ่งต่างๆเราไม่ต้องการที่จะเสียสละสิ่งต่างๆให้แก่คนอื่นเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ เวลาเกิดความอยากได้อะไรก็จะพุ่งไปตัวไปกระทําในสิ่งที่อยากได้อยากทําแล้วถ้าไปทําอะไรให้ใครเสียหายเดือดร้อนก็ไม่สนใจไปทํำบาปคนที่ต้องการเงินมากๆาเนี่ยแล้วไม่สามารถหาเงินได้โดยวิธีที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะไป ทำบาปไปลักขโมยบางคนขโมยไม่ได้ก็ป้อนเลยไปจี้ไปตามร้านขายทองร้านขายของที่มีเงินไปแล้วก็ใช้อาวุธปืนจี้เขาถ้าเกิดการต่อสู้ก็อาจจะฆ่าเขาได้แต่คนที่ทำบุญทำทานอย่างเป็นอา จ, จินคือเป็นนิสัย ทำอยู่เรื่อยๆพอมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เมื่อไหร่ก็อยากจะเอาไปทำบุญทำทานไม่มีเงินทองก็อยากจะไปทำงานสาธารณะกุศลอันนี้จะไม่จะยากต่อการที่จะไปทำร้ายผู้อื่นเพราะไม่อยากเพราะอยากจะทำแต่ความดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุข ถ้าจะต้องไปทำอะไรทำให้คนอื่นเสียหายเดือลนอนี้จะไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะทำแล้วไม่สบายใจไม่เหมือนกับทำความดีทำความดีแล้วมีความสุขใจพระพุทธเจ้าบอกอันนี้สงของการทาความดีนี้มีอยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะไม่มีใครเกลียดชังคนที่ทำความดีใครเห็นใครรู้ก็จะทักทายเข้ามาหาข้อที่สองเทวดาจะคุ้มครองรักษาข้อที่สามจะมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับข้อที่สี่เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะฝันดี ข้อที่ห้าจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษจะไม่มีใครคิดฆ่าเราด้วยอาวุธด้วยยาพิษเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนมีแต่ทำคุณทำประโยชน์มีแต่คนจะคอยปกป้องคุ้มครองรักษาเราข้อที่หกจะมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสข้อที่เจ็ด เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายเวลาฝึกจิตฝึุกใจเพื่อให้มีพลังนั่งสมาธินี่จะสงบได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำความดีแล้วข้อที่แปดเวลาตายไปก็จะไปสู่สุขคติถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปสู่ พระอริยบุคคลชั้นต่างๆนะจนในที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานได้เนี่แหละคือบุญกุศลการทำบุญทําทานจึงเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของจิตใจของการพัฒนาจิตใจเพื่อให้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่จิตใจจะต้องกระเชิญต่อไปเช่นต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย เจอกับการสูญเสียเจอกับการพัดพรากจากกันเนี่จิตใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่หวั่นไหวจะรู้เฉยๆหรือว่ามันเป็นอย่างนี้แลอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทานยาวเงินที่มีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปทำให้จิตใจอ่อนไหวง่าย วิธีที่จะทําให้จิตใจอ่อนไหวก็คือเอาเงินใช้ตามความอยากใช้ตามกิเลสเพราะถ้ามีใช้ตามกิเลสแล้วใจนี้จะอ่อนไหวจะไม่มีแรงต้านกิเลสนั่นเองทําตามกิเลสก็แสดงว่ารับใช้กิเลสพอถึงเวลาที่จะต่อสู้กับกิเลสจะสู้ไม่ไหวจะไม่มีกําลังงั้นอย่าเอาเงินไปรับใช้กิเลส อย่าเอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆอย่าเอาเงินไปใช้เวลาอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็อยากไปซื้ออยากจะซื้อของหรูหราก็อยากไปซื้อซื้อของจำเป็นซื้อได้แต่ของไม่จำเป็นของฟุ่มเฟือยของหรูหราอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกรินกาย เช่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆเพราะมันจะทําให้จิตใจนี้อ่อนแอเพราะต่อไปจะทุกข์มากเวลาเกิดความอยากแล้วไม่สามารถทําตามความอยากได้เช่นเวลาแก่จะทําตามความอยากไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนี้จะทําตามความอยากไม่ได้ เวลานั้นจะทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้ไปทำบุญมันจะตัดการที่เราจะไปรับใช้ความอยากไปรับใช้กิเลสทำให้ใจเรามีความแข็งมีกำลังที่จะต่อต้านกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาสั่งให้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่ไป สั่งให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปไปทำบุญดีกว่าไปทำบุญแล้วก็ได้ทำอย่างอื่นด้วยไปวัดไม่ใช่เพียงแต่ทำบุญอย่างเดียวทำบุญแล้วอย่างได้ฟังเทศฟังธรรมได้วิชาความรู้ที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากที่อื่นได้มีโอกาสนั่งนั่งทำใจให้สงบนี่แหละเป็นวิธีสร้างพลังใจ ให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไม่สะทกสะทานนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานการทำความดีจะนำให้เราขึ้นไปสู่ระดับที่สองก็คือการไม่ทำบาปได้ละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงได้บาปก็มีอยู่ฮะสี่ข้อห้าข้ อ, อ นึ่งก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาความจริงสุรายาเมานี้เป็นทั้งบาปเป็นทั้งอบายอมุกก็ได้เอคือสุรานี้มันถ้าเราดื่มแล้วเราไม่ได้ไปทําร้ายใครมันก็ไม่มีมันยังไม่เป็นบาปแต่ แต่มันจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมใจเราได้เวลาเราคิดจะทำอะไรไม่ดีก็จะหยุดมันไม่ได้เช่นเวลาอยากจะขโมยก็จะหยุดไม่ได้อยากจะทำร้ายใครก็จะหยุดไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มสุราเรามีสติอย่างเหมือนเราอยู่ตอนนี้เราจะไปคิดทำอะไรไม่ดีเราก็รู้ว่าไม่ดีเราก็หยุดมันได้แต่ถ้าดื่มโซราแล้วมันมักจะหยุดไม่ได้ ในต้องเอามารวมในศีลห้าก็อย่าดื่มสุราพเพราะดื่มแล้วมันจะทำให้ทำบาปได้ง่ายก่าคนที่ไม่ได้ดื่มสุราเช่นเดียวกับอบายามุกอย่างอื่นนอกจากสุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันมีการเที่ยวเตะเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของละเล่นต่างๆการกระทำเหล่านี้มันไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้าทำบ่อยๆทำมากๆเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้ก็จะจะไปหางานทำก็หาไม่ได้เ อ, อก็มีวิธีหาเงินแบบต้องทำบาปไปขมโมยข้าวของเงินทองเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ต่องั้นนอกจากบาปคือศีลแล้วยังต้องมาละอบาบัยมุกด้วยเ อ, อ อบายามุกก็มีอยู่ห้าการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวแต่เที่ยวกลางคืนการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรชอบคบคนที่ชอบอบายามุกหรือชอบทำบาปเป็นมิตรอย่าไปคบกับคนเหล่านี้เพราะเขาจะชวนเราไปทําสิ่งเหล่านี้นั่นเอง คนที่ชอบอบายามุกก็จะไปเสพ บ, บายามุกเวลาเราพบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปเช่นเขาจะไปเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาจะไปเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเชรฉนั้นอย่าคบคนเหล่านี้แล้วข้อที่ห้าก็คืออ ย, อย่ามีความเกลียดคร้าน ความเกียดข้านี่นำไปสู่ความหายณนะเพราะว่าความเกียดข้านไม่สามารถผลิตอะไรได้ไม่สามารถผลิตลายได้ไม่สามารถผลิตคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้นมาไดไ้ก็จะทำให้ไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งต่างๆที่อยากได้เพราะมีความเกียดข้านที่จะไปทำงานทำการ เพอจะได้มีรายได้เอามาใช้กับสิ่งที่ตนอยากจะได้ถ้าเราทำบุญทำทานได้แล้วการมาละบาปก็จะเป็นการที่ไม่ยากเย็นจนเกินไปง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานคนที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะชอบทำบาปอยู่แล้วชอบอบายามุกอยู่แล้ว ก็เลยจะทำให้เลิกยากหยุดยากกว่าคนที่ทำบุญทาทานเพราะคนทำบุญทาทานจะไม่อยากจะทำบาปจะไม่อยากจะเสพอบายามุกนั่นเองนี่ก็จะสามารถพัฒนาจิตให้มีกำลังสูงขึ้นต่อสู้กับกิเลสความคิดฝ่ต่ำได้คิดที่จะไปทำอะไรไม่ดีเสียหายก็จะหยุด หยุดคิดหยุดทําทันทีแล้วเมื่อสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ศีลแปดได้ทําไมต้องรักษาศีลแปดถ้าเราอยากที่จะสร้างพลังของใจให้มีเต็มร้อยเต็มที่นอกจากการทําบุญทําทานการรักษาศีลห้าแล้วเราต้องขยับขึ้นไปสู่ระดับ การจเจริญสมาธิและปัญญาที่เรียกว่าภาวนาการจเจริญสมาธิเราเรียกว่าสมถภาวนาการจเจริญปัญญาเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการที่จะไปสู่ระดับนี้ได้เราต้องมีเวลาการที่เราจะมีเวลาเราก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆที่เราทำอยู่ถึงแม้ไม่ผิดศีล เราก็ต้องหยุดมัน เ, ออเช่นกิจกรรมที่เราทำก็คือเนี่ยการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกาย เ, ออเช่นรับประทานอาหารก็เล็บรับประทานกันอย่างเต็มที่ อ, อ, อันนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการที่เราจะไปฝึกสมาธิ พอประทานอาหารมากมันก็จะทำให้ม่วงนอนทาให้ขี้เกียจอยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธิเราจะทำให้เสียไม่มีเวลามานั่งสมาธิเพราะจมัวแต่มันคอยนั่งกินอย่างเดียวกินอาหารเช้าเสร็จก็มาคิดถึงอาหารกลางวันอพอกินอาหารกลางวันก็คิดถึงอาหารเย็นกินเสร็จก็ขอนอนสักชั่วโมงก่อนพักผ่อนก่อนอ อันนี้ก็จะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเหลืออยู่ทห้กับการาภาวนาพอา ก, กินอาหารคำเสร็จก็อยากจะดูทีวีก่อนอดูละครดูข่าวดูอะไรต่างๆก็ดูไปถึงเกือบสี่ห้าทุ่มก็ง่วงนอนอยากจะนอนนะก็ไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิาาถ้าถือศีลแปนี้ท่านหา้ามทำกิจกรรมเหล่านี้ คนที่มีแฟนก็ห้ามร่วมหลับนอนกับแฟนถ้ากินข้าวเย็นเสร็จดูทีวีเสร็จถึงเวลาจะนอนก็ไปนอนกับแฟนอีกทีนี้ก็ตื่นสว่างนู่นเลยทั้งคืนก็หมดไปท่านถึงให้ถือศีลข้อสามให้ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันถ้าถือศีลห้าอย่างร่วมหลับนอนกันได้อย่างกินอาหารเย็นได้ ยังดูหนังฟังเพลงได้ยังดูละครดูข่าวดูอะไรได้แต่มันจะทำให้ไม่มีเวลามาฝึกสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติถ้าถือศีลแปดแล้วก็ถ้ายิ่งถือแบบมือเดียวยิ่งสบายถ้าสองมือก็ไม่เกินเที่ยงวันพอหลังจากกินอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะมีเวลาไป จเจริญสตินั่งสมาธิได้จนถึงเวลาหลับนอนเลยอันนี้เป็นการเปิดทางให้กับการภาวนาถ้าไม่มีศีลแปนี้มันจะมีอะไรขวางทางตลอดเลยเดี๋ยวไหนจะกินอาหารเย็นเดี๋ยวไหนจะดูทีวีดูละครเดี๋ยวไหนจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมา จะเรินสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เลยอย่างนั้นจึงต้องหัดรักษาสีลแปดให้ได้ถ้ารักษาสีลห้าได้แล้วอีกสามข้อมันก็ไม่ยากเย็ยนเพิ่มกันอีกสามข้อไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันมันก็ไม่ยากเย็ยนอะไรไม่ได้ห้ามให้กิน น้อยกินตำที่เลยกินเผื่ออาหารเยินเลยก็ได้กลัวจะหิวกลัวร่างกายจะไม่พอกินก็กินเผื่อไว้ก่อนก็ได้กินเผื่ออาหารเยินนะแต่นี่ที่ถือศีลแปดเพื่อที่จะได้ให้มีเวลาให้เราละเว้นกิจกรรมต่างๆเพื่อเราจะได้เอาเวลามาฝึกจิตเพราะการฝึกจิตด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้ จะให้พลังของจิตให้พลังกับจิตทำให้จิตนี้สามารถรับกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆได้อย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่สะทกสะทานและให้ความสุขกับจิตที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยถ้าปฏิบัติได้ผลจิตสงบแล้ว จะดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าดูหนังดูละครดีกว่าร่วมหลับนอนกันความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นความสุขนิดเดียวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นเหมือนยาเสพติดที่จะทำให้เราต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราเลิกกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วเรามาจเจริญสติมานั่งสมาธิมาจเจริญปัญญาได้เราจะได้จิตที่สงบจิตที่มีพลังที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้และจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร จะแก่หรือไม่แก่ก็สุขเหมือนเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสุขเหมือนเดิมจะตายหรืออยู่ก็สุขเหมือนเดิมแล้วตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกด้วยอันนี้แต่ถ้าเราไม่มาฝึกจิตกันเรามัวแต่คอยหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากการร่วมหลับนอน กับแฟนหาความสุขจากการรับประทานอาหารค่าอาหารเย็นหาความสุขจากการดูมหัศลศพบันเทิงอะไรต่างๆ เ, ออเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขใจมาสร้างพลังให้กับใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอกันแต่จะต้องเจอกัน พอเจอความแก่ก็จะทุกข์จะเศร้าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์จะเศร้าเจอความตายก็จะทุกข์จะเศร้าและเวลาตายไปก็ยังต้องกลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากทางร่างกายมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ในใจ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่พอพอตายไปก่อนที่จะไปรับก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนนี่ถ้าถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ต้องไปรับผลบาปก่อน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญก่อนผลบาปก็คืออบายไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันสี่แห่งไป เ, เป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรหรือเป็นอัตุรกายหรือไปนรกเนี่ยถ้าบุญถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญกับบาปจะ หมดกำลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอาบายไม่ได้ตอนนั้นก็จะรอรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนให้เรามาภาวนากันมาหยุดความอยากกันมาทําใจให้สงบมาทําใจให้ฉลาดให้รู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือความอยากมีร่างกายนี้เองความอยากใช้ร่างกายหาความสุขความอยากได้าดลาบยศจัลเสริญ อยากได้สิ่งต่างๆที่วิเศษของโลกนี้เมื่อได้มาแล้วก็อยากจะไม่สูญเสียมันไปได้ร่างกายก็ไม่อยากจะสูญเสียมันไปได้ลาบยศสรรเสริญก็ไม่อยากจะสูญเสียมันไปนี่คือความอยากที่เราต้องทำลายมีสามอย่างอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย อยากได้ลาบยศสรรเสริญต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากได้อยากได้แล้วก็อยากไม่เสียสิ่งต่างๆไปอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเสียอะไรไปก็ต้องไปหาใหม่พอได้อะไรมาแล้วพอเสียไปก็อยากจะได้ใหม่อยากจะได้คืนก็ต้องไปหาใหม่ ร่างกายมาแล้วพอร่างกายเสียไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะอยากจะได้ร่างกายอันใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาหาราบยศสารเสริญใหม่ลใจเราก็จะต้องดิ้นกับการมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้เจริญสติได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ อยากเวลาเกิดความอยากก็ไม่ทำตามได้ว่ามีพลังสู้มันเพอเราสามารถหยุดความอยากได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีเวลาเจอความแก่ก็หยุดความอยากไม่แก่ได้ที่เราทุกข์กันเพราะเราไม่อยากแก่กันพอเจอความแก่ก็ทุกข์กันเพราะไม่อยากแก่แต่ถ้าเราหยุดความไม่อยากแก่ได้มันก็จะไม่ทุกข์ เก่ความเจ็บก็ไม่อยากเจ็บกันพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากไม่เจ็บได้พอเราหยุดได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยพอจะตายเราก็หยุดมันได้เราก็จะหยุดความอยากไม่ตายได้ออพอตายไปแล้วมันอยากจะมาเกิดก็หยุดมันได้อีกเออพราะเรามี ใจของเรามีพลังมีกำลังมีสมาร์มีสติมีสมาธิมีปัญญานี่คือวิธีสร้างพลังสร้างพัฒนาจิตใจให้เจริญจากปุถุชนคนติดดินไปสู่พระอริยเจ้า คือพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าซึ่งเปียบเหมือนกับมหากษัตริย์ของจิตใจพวกเราเป็นขอทานเป็นคนเดินดินธรรมดาแต่เราสามารถยกระดับจิตใจของเราจากคนเดินดินธรรมดาสามัญชนให้ไปเป็นกษัตริย์ได้อันนั้นก็ไม่มีจำนวนจำกัดด้วยทางโลกนี้ประเทศหนึ่งมีกษัตริย์ได้คนเดียว แต่ทางธรรมนี่มีกระส์ได้เป็นแสนเป็นล้านใครมียกักมีความปรารถนาอยากจะเป็นพระอารหันต์เป็นได้พระพุทธเจ้าไม่มีจำนวนจำกัดไม่มีโคตา้าไม่เหมือนมหาลัยปีหนึ่งจะรับได้กี่คนกี่คนถ้าเกิด น, นั้นก็รับไม่ได้แต่พุทธศาสนานี่รับได้ใครอยากจะมาสมัครเป็นพระอารหรนันต์นี้สมัครได้ทุกคนไม่มีจานวนจากัด สามารถเป็นได้ทุกคนถ้าสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้ก็คือเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยการสร้างรากฐานที่แข็งแรงทําบุญทําทานอยู่ บ, บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆอย่าทําเพื่อไปหวังอะไรไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นทําทานนี้เพื่อสร้างรากฐานของจิตใจให้มีความ มีกำลังที่จะสู้กับความคิดฝ่ายต่ำสู้กับกิเลสตัณหาที่จะชวนให้เราไปทำบาปทากรรมกันนะนี่คือการทำบุญทำทานหน้าที่ของการทำบุญทำทานเพื่อสร้างความเมตตากรุณาเพื่อที่เราจะได้ยับยั้งการกระทำบาปต่างๆได้เมื่อเรายับยั้งทำบาปได้เราก็จะยับยั้งการทำกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์กับใจได้ เราก็จะมีเวลามาทำประโยชน์ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์กับใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตายรักอ น, นิจจงทุกขังอนิจตาพิจารณาอริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆอันนี้มันก็จะทำให้เรามีปัญญาที่จะรู้ว่าการที่เราทุกข์การที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันก็เกิดจากตัณหาความอยากนี่ เราก็อยากไปทำตามมันเท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็หยุดมันได้เราก็ไม่ต้องทำตามความอยากความอยากต่างๆที่มีอยู่นี้ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะว่างสงบไปตลอดเรียกว่านิพพานไม่ต้องไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือการพัฒนาจิตใจตาม ลำดับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งส่งสอนพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนไปเถิดอย่าข้ามขั้นกันคนบังเถลนพอมาเรียนฟังทมปั๊บก็อยากจะไปขั้นปัญญาเลยไม่อยากจะทำบุญเสียดายเงินไม่อยากจะรักษาศีลยังอยาก เยี่ยวยังอยากกินอย่างดื่มอยางอะไรอยู่แต่จะไปปัญญานมันมันไม่เหมือนทางโลกทางโลกไม่ต้องทำบุญทำทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องมีสมาธิไปเรียนหนังสือเรียนถ้าจำได้ไปสอบผ่านได้ก็จบก็ได้ปริญญาแต่มันเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมาะทำให้จิตใจมีพลังได้ ความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่กลวงถ้าเป็นผ ล, ลไม้ก็มีแต่เปลือกไม่มีเนื้ อ, อ, อพระพุทธเจ้าปัญญาทางพุทธศาสนานี้มันต้องเกิดจากการทาบุญทาทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการฝึกสมาธิเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมมันถึงจะเป็นปัญญาที่มีเนื้อมีน้าที่จะสามารถให้ความสุขกับใจ ให้พลังกับใจได้ยังอย่าคิดทางลัดเนี่ยศาสนาพุทธนี้ไม่มีทางลัดเนี่ยทางนี้ทุกคนต้องไปเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะเคยทำมาแล้วมีมีมาแล้วก็ไม่เป็นก็ไม่ต้องทำคนที่มีนิสัยทาบุญทำทานอยู่แล้วคนที่รักษาศีลได้อยู่แล้วคนที่นั่งสมาธิได้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ไปทางปัญญาได้เล ย, ย แต่ถ้ายังหวงยังหวงยังอยากจะใช้เงินซื้อตามความอยากต่างๆอยู่ก็ต้องมาหยุดตัวนี้ก่อนถ้ายังทำบาปอยู่ก็ต้องหยุดมันก่อนถ้ายังทำกิจกรรมทางร่างกายหาความสุขทางร่างกายก็ต้องหยุดมันให้ได้ก่อน ถึงจะมาฝึกสมาธิถ้านั่งสมาธินั่งเฉยๆจิตสงบไม่ทำอะไรไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจอันนั้นเรียกว่ามีสมาธิแล้วทีนี้ก็ใช้ปัญญาได้เลยถ้ายังไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่าไปใช้ปัญญามีก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆหลอกตัวเองไปเปล่าๆโดยม่รู้สึกตัวเป็นแบบปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ไม่ลอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองอนะนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาสึ่งความสุขความเจริญนำมาสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเตตานังอุปปักปติอิทิตังป um ัทิตังตุมหังคิดเปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันะหราโสยะธามณะโชติหระโสยะธาสัพพิิโยวิวัชจันโตสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังป็นี้บรญษาเท่าไหรล้ะ ยี่สิบเนนะอ็ด่เอนะออยู่ที่นี่มาตลอดทุกพรรษาเลยนีอีห้าแปดผจำทีปีเซลุโลกอ่าปีเดียวเลยตานนั้นก็ยี่สิบพรรษาอยู่ที่อ๋อม่อยู่อยู่หลายที่นะวัดช่องลมอยู่สิบษาอ่า่วที่วัดช่องลมก่อนนะผมบวชนอนนาที่กงเทพเลย อ, อ่ไปอยู่กับหลวงพ่อเกตปีแม่ปาอ ภาษาภาษาสองปภาษาสามไปอยู่บอาจารย์วันชันย์ีผู้สังโฆก็มีประสบการณ์หลายอย่างก็ดีได้อยู่อับครูบาอาจารย์ดีๆอย่างนั้นได้รากฐานพื้นฐานที่ดีในความรู้ที่จะเอาไปประกอบไปปฏิบัติ เบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าส่งให้อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรรษาบวชแล้วต้องมีครูบาอาจารย์สั่งสอนอยู่ห้าพรรษาเท่านิสัยถ้าไปอยู่แบบไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมันก็จะไม่รู้จากวิธีการอยู่ของพระเนนชีวิตของพระว่าอยู่ยังไงก็จะเอานิสัยของคารวาดมาใช้ จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่อยู่กับหลวงตามหาบัวท่านก็ให้อยู่ห้าพรรษาถ้าถ้าจะไปท่านก็บอกถ้าไปก็ไม่ให้กลับถ้าถ้าจะกลับต้องอยู่ให้ก็ห้าพรรษาก่อนแล้วจะไปก็ให้ท่านพิจารณาดู ว, ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะไปหรือไม่ท่นอยากจะขอไปปริกวิเวกอย่างนี้ ท่านก็จะดูว่าเรามีกําลังหรือไม่มีจิตเรามีความสงบมีหลักหรือไม่ถ้าไปโดยไม่มีหลักเดี๋ยวไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อาจจะเสียหายได้การมีครูบาอาจารย์นี่สําคัญเพราท่านเป็นเหมือนพ่อแม่เราเป็นเหมือนเด็กทารกที่เกิดใหม่ยังไม่รู้ประษีภาษาอะไรต้องอาศัยพ่อแม่สั่งสอนก่อน จนกว่าเราจะโตพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราจรึงไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่พอเราเรียนหนังสือจบทางานทำการทรมากินได้เราก็ไม่ต้องไปอยู่กับพ่อแม่ก็ได้แต่ถ้าเรายัางพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์คอยคอยให้คำแนะนำคอยสั่งสอนอยู่เรื่อยๆถึงแม้อาจจะมีเกินห้าปันศาหรือ1ิบปันา ถ้ายัางรู้ว่ายัางรักษาจิตใจของตนเองไม่ได้ก็จาเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้อาจจะไม่ต้องอยู่ตลอดอาจจะไปบ้างเข้าออกอย่างนี้อยากจะอยากจะไปปีกเว่ยก็ไปภาวนาสักพักหนึ่งพอไปแล้วฟุ้งซ่านไม่ได้เรื่องก็รีบกลับไปหาครูบาอาจารย์ดีกว่าอยู่กับท่านอย่างน้อยมันก็มีอะไรคอยให้เรามีสตินมัดระวังครูบาอาจารย์ที่ดีนี้ท่านจะคอยคอย คอยเตือนสติเราอยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่ประจำํำมันก็จะมีอะไรคอยเตือนสติเตือนใจให้เรารู้ว่าเราต้องทํากิจของเร า, เ, า, ร เ, ราเรื่องปิติวัตรต่างๆคือดองขวัตเศีลของเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นกิจที่เราต้องทํา แต่ถ้าอยู่ห่างไกลกูบาอาจารย์เดี๋ยวบางทีเผลอมีญาติโยมมาขอให้ช่วยสร้างนู่งงนสร้างนี่ก็อ่าก็เลยไปสร้างกุฏิสร้างวัดกันเลยมาลืมมาสร้างใจใจงานใจก็เลยถูกทอดทิ้งไปได้วัดแต่ไม่ได้ใจซู้เอาใจดีกว่าเอาวัดออพระพุทธเจ้าเอาใจก่อนก่อนที่จะสร้างวัดพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดแม้แต่วัดเดียวเห ปล่อยให้ญาติโยมเขาสร้างใครมีจิตศรัทธาอยากจะสร้างก็ปล่อยเขาสร้างไปอาจจะให้พระไปถ้าต้องการให้พระไปแนะนำว่าต้องทำอย่างไรก็ไปในในในหน้าที่ของในฐานะของผู้ให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้ไปลงไม้ลงมือเองไม่ได้ไปลงเลี้ยวลงแรงไม่ไปหาวัตถุหาอะไรมาทาปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ จะทำเพราะท่านสอนให้พระอยู่แบบง่ายอยู่แล้วไม่มีกุฏิก็อยู่โคนไม้ก็ได้มีกฎดกลางเราก็อยู่ได้แล้วทำแค่ไม้เล็กๆอยู่นี่ก็อยู่ได้สมัยที่เราไปอยู่ในสวนเป็นช่วงบุกเบิกก็ดีปี2500เราบวช18ต้นปี2 5 0 2 25 18 ตอนนั้นหลวงพ่อโบเกตท่านกลับไปกลับมาจากการไปกราบหลวงปู่ฟ้านไปไปสัมผัสกับบรรยากาศของพระกรรมฐ า, านแล้วท่านก็เกิดศรัทธาก็เลยกลับมาก็เลยหาที่ใกล้ๆวัดช่องลมเนะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะม่วงแล้วก็สร้างกระท่อมอยู่ห้าหกหลังมัองกระท่อมแต่ยกพื้นสูงมีอ ท่านเป็นกระทบชั้นยกพื้นขึ้นไปมีบันไดเดินขึ้นแต่รู้สึกหนังขาจะงุงด้วยด้วยด้วยจากเมื่อะไรเนี่ยแล้วพอดีตอนนั้นเรากำลังอยากจะหาที่บวชก็เลยได้คนแนะนำให้ไปกราบท่านก็ไปกราบไปสนทนากับท่านว่าอยากจะบวชแล้วปฏิบัติท่านก็เลยบอกว่า วัดท่านถ้าอยู่กับท่านก็ต้องบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าพันษาและว่าท่านก็ยังเป็นวัดแบบมีปริยัติมีพิธีกรรมต่างๆก็จะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ท่านก็แนะนําว่าถ้าอยากจะปฏิบัติต้องไปทางภาคอีสานจะดีกว่าให้ไปบวชที่วัดบวอนสมเด็จปัญญาสังวรท่านจะเมตตาบวชให้ แล้วท่านจะอนุญาตให้ไปฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านก็กำลังทําสวนเป็นที่ภาวนาปีกวิเวกเวลาที่ท่านไม่มีภารกิจท่านก็บอกท่านก็จะไปปฏิบัติกรรมฐานในนั้นไปฉันในบาทไปฉันมือเดียวเราก็เลยขออนุญาตไปดูที่นะท่านก็ให้ไป พอเห็นก็ชอบมันเงียบมันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีพระก็เลยขออนุญาตขอพักชั่วคราวทางการอนุญาตให้อยู่อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจไปบวชก็เลยได้อยู่ที่สวนนั้นรู้สึกจะเป็นเดือนมกราเนี่ยสองห้าหนึ่งแปดนั้นมีก็ต๊อปอยู่สักห้าหกหลังได้ แล้วก็จำได้ว่ามีสระน้ำอยู่หรือไม่มีก็จำไม่ได้มีมั้มงึกจะมีสระน้ำอยู่แต่ยังไม่มีศาลาฉันที่ฉันท่านก็เอาแค่ม า, มาวางไว้เรียงไว้แล้วก็นั่งฉันกลางแดดกลางเนี่ยไม่มีศาลาเวลาบินทบาทกลับมาท่านก็นั่งฉันกันแต่ท่านไม่ได้อยู่ประจําเดี๋ยวท่านมีกิจทางวัดท่านก็กลับไป บางทีเราอยู่คนเดียวในสวนเฝ้าสวนคนเดียวเวลาท่านไปพระเนรที่ตามมาก็กลับไปหมดอาจารย์พลก็อยู่อาจารย์พลก็อยู่ด้วยจำได้ตอนนั้นท่านได้ห้า0ันษาพระอาจารย์พลท่านแกก็เลาห้าพันส้าพอดีแล้วก็เลยอันนี้ก็เกิดความรู้เล็กๆนะเกี่ยวกับสวนน้างเคยไปอยู่สองครั้งครั้งแรกตอนที่ยังไม่บวชนี่ ไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็ตอนนั้นเรากลับมาเยี่ยมบ้านตอนนั้นได้แปดพันษาละก็เลยตอนต้นก็มาเที่ยวที่วัดยานดูที่วัดยานอยู่อยู่พักอยู่ได้ประมาณสักครึ่งเดือนนึงแล้วก็ย้ายกลับไปอยากจะไปอยู่คนเดียวก็เลยไปอยู่ในสวนตอนนั้นก็ไม่มีพระเนนอยู่สวนอาจจะมี องสององค์ไปมามาอะไรอย่างนี้พอดีช่วงนั้นกําลังสร้างทางรถไฟก็เสียงดังหน่อยอแต่ก็ก็เงียบดีอตอนนั้นแถวนั้นบ้านช่องยังไม่ค่อยมีบ้านช่องก็งไม่มีเป็นสวนรอบไปหมดเนยก็เราอยู่ที่นั่นอยู่สองสามเดือนด้วยกันมั้งอยู่ถึงเมษ า, าครั้งที่สองอยู่ยาวหน่อยอยู่องเดียว หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปอยู่ก็เคยผ่านไปดูบ้างบางทีก็มีโยมขับรถพาไปดูโยมที่มาใส่บาตรทุกวันเนี่ยเก็ให้เขาพาขับรถไปดูแต่ไม่ได้ลงหรอกขับไปดูตอนนั้นเองกำลังสร้างอะไรอยู่ในสะพอดีใช่สร้างตอนนี้เป็นสาลาแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จสิ้นงูกสร้างมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาอยู่วัดยาแล้วหลงตามาบุหะท่านก็มาพักอยู่ในสวนมีสัตลูกศิษ์ท่านมาสร้างกุฏิสร้างศาลาไว้พอช่วงนั้นท่านจะมาพักผ่อนแถวนี้อยู่ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านตอนที่ท่านมาอยู่แต่อตอนนั้นเรามาอยู่ที่วัดยา น, นี่แล้อันนี้ก็เรื่องของสวน ตอนนี้สวนซื้อที่เพิ่มขยายหรือเปล่าหรือเท่าเดิมก็มีทีเพิ่มแค่อีกไลกับสองงานนะอ๋อท้หมดกี่ไลนะ์เนี้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบไลนนะก็ใหญ่พสนะอสังขลอยตอนนั้นถึงไม่ถึงนะตอนที่ซื้อใหม่ๆสบกว่าไรนะก็าไปอออีกตลาปี้าหหรือว่อเกตนซื้อเพิ่มมาอีกสิบหกไลนอืม ก็ดีเป็นวัดป่าในเมืองก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองล้อมรอบไปหมดเยเราก็ต้องเข้มข้นเราต้องรักษาความเป็นป่ารักษาความเป็นวัดป่าต้องทํากิจกรรมของของวัดป่าคือเน้นในการภาวนาเน้นในการปฏิบัติอย่าให้มีพิธีกรรมมากเกินไปมีเท่าที่จําเป็น เอแต่แก่นดีกว่าเปลือกกินไม่ได้เอาเนื้อดีกว่าเวลาเราซื้อผลไม้ม า, มาเราไม่กินเราไม่กินเปลือกกินอะไรเรากินเนื้อแก่ทุเรียนแล้วเรายอมเปลือกทุกเรียนทิ้งไปเอาเนื้อนี่เราอย่าทิ้งเนื้อแล้วเอาเปลือกกันกลัวจะทิ้งเนื้อแล้วเอาเปลือกใช่ทิ้งเนื้อก็คือทิ้งการปฏิบัติการศึกษา ปริยัติปฏิบัติปฏิเวเนี่คือเนื้อของศาสนาแล้วก็ไปเอาศาสนาพิธีกันมีพิธีอะไรเต็มไปหมดพิธีบวงสรวงพิธีอะไรต่างๆเป็นพิธีทั้งนั้นฮอันนี้เป็นเปลือกของศาสนาสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างอะไรถาวรและวัตถุต่างๆอันนี้เป็นเปลือกเททองหล่อพระ อันนี้เป็นเปลือกไม่ใช่เนื้อหนังนะเนื้อหนังต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวสปริบัติปริยัติก็ปศึกษาคําสอนของพระเจ้าทางสายกรรมฐานเราก็ให้ศึกษาจากครูบาอาจารย์โดยตรงศึกษาไปปฏิบัติควบคู่ไปไม่แยกเหมือนกับทางบ้านทางวัดบ้านวัดบ้านเขาจะแยกปริยัตจากปฏิบัติให้ปริญัติให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัตินะ พอจบป .9 แล้วมันก็ไม่มีกําลังใจจะไปปฏิบัติแะมันติดปริยัติซะแล้วแต่ทางสายสายวัดป่านี้ท่านจะให้ปริยัติปฏิบัติไปพร้อมๆกันเนี่ยเวลามันนั่งฟังเทศอย่างนี้ก็ปริยัติแล้วแล้วไม่ต้องเขียนตำไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดไม่ต้องไม่ต้องใส่กระดาษให้ให้ฟังให้เข้าใจฟังเข้าใจแล้วมันจะจําได้มันจะไม่ลืมไม่ต้องไปเขียนว่า ธรรมะอริยาศาสตร์มีกี่ข้ออะไรมีกี่ข้อให้ต้องไปเขียนขอให้ฟังถ้าเข้าใจแล้วมันจะจำได้ฟังจะจจะเข้าใจก็ต้องตั้งใจฟังเวลาฟังต้องสงบ ก, กายสงบวาจาสงบใจกายวาจาก็นั่งเฉยๆไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดปุุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งใจฟังที่ครูบาอาจารย์แสดงให้ฟัง ห่ังเราต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะจําได้อย่างไม่หลงไม่ลืมถ้าปฏิบัติพอทำมันเข้าไปในใจแล้วมันจะไม่หายจากใจต่อไปถ้าเข้าไปทางสัญญาแบบไปจดจำํำเดี๋ยวพอไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปคิดถึงมันเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าปฏิบัติแล้วนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลากรรมาฐานห้าลืมกันหรื อ, อย่างเนี่ยบวชมาเนี่ยเจสาลมานักขาดันตาตัดจเนี่ย พวกที่บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยให้จำไว้จนมันตายถ้ามาบวชเป็นพระแล้วลืมกรรมาฐานห้าก็ไม่ใช่เป็นพระแล้วเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> ใครอุปชาบวชใครแล้วไม่สอนกรรมาฐานก็ถูกปรับอาบัติไม่ใช่นะ yeah. <Yeah>. yeah. กรรมาฐานห้าเนี่ยเป็นอาวุธของพระอาวุธที่จะรักษาผ้าเหลืองไว้ ถ้าไม่มีกรรมฐานห้าเดี๋ยวมันก็เกิดการมาราคะเกิดการมารลมขึ้นมาผ้าก็จะร้อนร้อนแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ต้องอาศิท์ขาไปนี่คือนี่แหละปริยัตยิวันบวชนี่เราก็ปริยัติกันแล้วลูกหนเนี่ยอุปชานี่ก็เป็นเป็นอาจารย์องค์แรกของพวกเราแล้ ว, ลวสอนกรรมฐานห้านะสอนอนุศาสตร์อนุสาสตร์สอน กิจที่ต้องทำและกิจที่ไม่พึงกระทเออันนี้ก็เป็นการปริยัติแล้วในตัวแล้วไม่ต้องไปทําตามตาราหรอกขอให้ปฏิบัติตามที่อุปชาสอนในวันแรกได้ น, นี้ก็ไปได้ไกลแล้วทั้ง น, นี้กรรมาฐานห้าอยู่ในใจตลอดเวลารักษาทำอนุสาดได้นทำกิจที่พึงกระทำสี่ข้อบินทบาทเป็นวัดเนี่ใช้ผ้าบางสุกุลเอ อยู่ป่าลุกกระโมนเสนนสนังแล้วก็ฉันยาดองน้ำมูดฉันน้ำมูดดื่มน้ำมูดเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บคือให้อยู่ตามมีตามเกิดพูดง่ายๆเป็นพระต้องมักน้อยสันโดษอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปเรียกร้องจากญาติโยมให้ช่วยสร้างกุฏิให้ช่วยซื้อผ้าไหมผ้าแพรมาทาจีวงจีวอนใ ห, ใ, ใ, หให้ไปเอาผ้า ห่อศพเนี่ยสมัยก่อนพระเขาใช้ผ้าห่อศพกันไม่ได้ไปขอให้ญาติโยมถวายผ้าเพราะมันมีผ้าอยู่เยอะแยะผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุลไงใช่ไหมเวลาคนตายเราบางสกุลเนี่ยนั่นแหะผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่ฝังไม่เผาคนตายเขาก็เอาผ้าหอ่อแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้มันเน่าให้มันผุให้มันพังไปก็เหลือผ้าอยู่ ร่างกายผุพังไปแต่ผ้ามันไม่ได้พังพระก็ไปเก็บผ้าเหล่า น, นั้นมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรเนี่ยเรียกว่าผ้าบางสกุลย้อมด้วยน้ำฝาดใช้แก่นไม้ออกมาเป็นผ้าสีกาสาวพัดเนี่ยผ้าสีเหลืองสีกาสาวพัดนี่คือใช้ผ้าบางสกุลนี่คือกิจที่พึงกระทำสี่ข้อของพระ ทำไปแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไม่มีใครเขาจะลำคานเขายินดีที่สนับสนุนพระที่สมถะมากน้อยสันโดษแล้วก็ให้ละกิตละเว้นกิจที่ไม่พึงกระทำสีก็คือปาราชิกสี่ไม่เสพไม่ทุนไม่ ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ลักทรัพย์ไม่อวดอุดตริคนวิเศษที่ไม่มีในตนนี่คือปริยัติตั้งแต่วันแรกแล้วรู้เป่ะไม่ต้องไปเรียนนักธทรรมตีโทเอกนี่ได้สามข้อนี้ก็เหลือกินละไปเจรับสุภากรรมฐานพิจน า, าเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจดูร่างกายคนตายเนี่ยต่อไปตายแล้วหนังก็หนังมันก็จะ เน่าจะเปื่อยผมก็จะงอกจะจะหลุดอะไรนี่นี่คือวิชาของพระที่จะรักษาคุ้มครองให้อยู่เป็นพระได้พระพุทธเจ้ามอบอาวุธให้ตั้งแต่วันบวชแล้วอาวุธทั้งทางกายและทางใจอาวุธทางร่างกายก็บาสนี่ให้บาทหนึ่งใบนี้ก็อยู่ได้แล้วมีบาทหนึ่งใบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายละ ขอให้ขยันบินทบาทเท่านั้นอย่าหยุดบินทบาทแล้วจะไม่อดตายถ้าขี้เกียจบินทบาทนี้ก็ไม่แน่อดตายอดได้ถ้าไม่มีกิจนิมนต์ไม่มีใครมาถวายที่วัดก็ต้องอดนะแต่ถ้าไปบินทบาททุกวันนี้ไม่มีวันอดนี่คือแก่นของศาสนาเนื้อของศาสนาเพราะนี่จะทำให้เกิดมักผลนิพพานขึ้นมา เกิการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการติดอยู่ในวัฏะสงสารในตายภพในกามาพบรูปพบอารูปพบหลุดได้ด้วยการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพอปริยัติแล้วเรียนแล้วเราก็ไปปฏิบัติตามคําสอนของครูบาอาจารย์ของพระอุปชาเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวปฏิเวทก็ปรากฏขึ้นมานะ ธรรมะขั้นต่างๆตั้งแต่สมาธิก็จะตามเกิดขึ้นมามีสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาพิจารณาไตายรัพิจารณาอริยสัจ ส, สีพิจารณาอสุภะเนี่ยมันก็จะทําให้ใจนี่ปล่อยวางละตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็เมื่อสําเร็จแล้วก็ทีนี้ก็ทําประโยชน์ต่อโลกต่อไปน ก็เผยแผ่ธรรมะต่อเอาแกนมาเผยแผ่อยาเอาเปิดกเอาอะไรมาเผยแผ่ส่วนใหญ่สมัยนี้มีแต่เปิดกเทนั้นมีแต่ก่อสร้างเต็มไปหมดวัดวารามสวยงามแต่มรรคผลนิพพานไม่มีในวัดเลยมีแต่ความวุ่นวายวุ่นวายกับการก่อสร้างสร้างเสร็จก็วุ่นวายกับการรักษาดูแล แล้วพอเก่าก็ต้องวุ่นวายกับการบูรณะซ่อมแซม้ไปทางวัตถุมันก็จะทําให้จิตใจวุ่นวายอยู่เรื่อยเพราะจะต้องหาทรัพยากรมาคอยดูแลรักษาดาวรและวัตถุต่างๆแต่ใจนี้ไม่มีความสงบใจไม่มีความเย็นใจมีแต่ความร้อนความอยากตลอดเวลาบวชไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำกันก็คือไม่ตข้งหาแก่นกันไปหาเปลือกกันเออนีนขอให้เรายึดแนวทางของครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงม า, าท่านสอนเรื่องภาวนาเรื่องแก่ น, นั้นเัเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องทุดลมขวัต อ, อันนี้เป็นกิจกรรมของพระเราเ เรื่องการก่อการสร้างนี้อย่าไปสร้างมันไม่หลวงปู่มั่นนแกมีวัดมันวัดของมุขวัดม่นเป็นยังไงไปดูได้มั้ยเห็นไหมก็พออยู่ได้เป็นกระต๊อบทั้งนั้นเนี่ยท่าไม่ได้เน้นเลยแต่ท่านสร้างพระอริยะขึ้นมาเป็นจํานวนมากะครูบาอาจารย์ที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเนี่ยกระดูกท่านเป็นพระธาตุกันเยอะแยะไปหมดนะตั้งแต่หลวงปู่แหวนลงมาเนี่ยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันะ กระดูทัานเวลาตายไปนี้กลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นท่านเหล่านี้ก็ไปศึกษาจากหลวงปู่มั่นนะไปอยู่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้สั่งให้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรกันมีแต่ให้สร้างท ร, ร ม, มากันนี่ก็เป็นเรื่องกตเล็กๆน้อยๆที่ในฐานะที่เราได้มาพบปะกันก็ก็ฝากให้เอาไปพิจารณานะ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 จันโทปนะอะราโสยะธาเมณิโชติอะระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพปะโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุทฒาปะจายโน ชาตาโรธรร ม, มาวาทาติอายุวนโนสุขังภลังทำไมเราไม่ได้พาพระเนนไปกราบว่าครูบาอาจารย์ก็เพราะอตอนที่อยู่กับหลวงตาท่านก็ไม่ได้พาไปท่านไปองค์เดียวท่านจะไปทำวัดครูบาอาจารย์ท่านก็ไปองค์เดียวท่านไม่ต้องการรบกวนการภาวนาของพระ ให้พระอยู่วัดภาวนาดีกว่าพอออกไปนอกวัดเดี๋ยวมันไปรับรู ป, รปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวกลับไปในวัดมันจะฟุ้งขึ้นมาท่านเลยไม่นิยมพาพระเนรไปทําวัดเราก็เลยไม่ได้พาพระเนนไปทําวัดเราก็ไม่ได้ไปทําวัดเราก็ทําวัดของเราที่นี่กราบพระ ก, ก็กราบตรงนี้ก็พอและเอาละนะมีอะไรอยากจะถามไหม ถ้าไม่มีก็ไปปฏิบัติกันนะช่วยกันนะช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาในการศึกษาปฏิบัติปฏิเวชนะนะนั่นแหละอาจารย์วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง เ c e b o o k เข้ามา407ยู u ูบ192วิทยุออนไลน์35รับฟังข้างบนเขา54คนรวมทั้งหมดเป็น688คนครับอันนี้ไม่ดับพวกทีวีเคเบิลที่พัทยานาเกือจอมเทียนที่บ้านอำเภอเองนะเดี๋ยวนี้พวกเคเบิลแถวนี้เขาก็มีช่องธรรมะ บางช่องก็ถ่ายทอดสดบางช่องก็ดูย้อนหลังมีทั้งนาเกลือนาจอมเทียนแล้วกันดานนี้ก็มีที่บ้านอำเภอใครมีเคเบิลอยู่ในบริเวณนี้ก็สามารถเปิดดูได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับผมชื่อชาติชายมักครมเป็นเจ้าของช่องเคเบิลทีวีช่องหนึ่งร้อยสาสิ ชื่อช่อง OKTV OK จานดำ PSI ครับผมมีนโยบายอยากให้มีรายการธรรมะช่วงเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาของทุกวันเลยอยากจะขออนุญาตนำธรรมะที่พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานครับต้องมีขั้นตอนในการขออนุญาตพระอาจารย์สุชาติ ในการนำธรรมะที่พระอาจารย์เทศนาอย่างไรบ้างครับอ๋อไม่มีเลยถ้าเอาไปเผยแพร่โดยไม่มีรายได้เป็นธรรมทานก็ทำได้เลยถึงแม้จะเป็นเคเบิลอาจจะมีรายได้บ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของธุรกิจที่ทำอยูออ่แต่ถ้าจะเอาไปขาย คนดูไปขายแบบหนังสือขายหนังสืออย่างนี้ไม่ไม่ควรแต่ถ้าทางเคเบลิลทางอะไรนีอยากจะไปถ่ายทอดจะเอาของที่อยู่ใน YouTube ที่บันทึกไว้ก็ได้หรือจะถ่ายทอดสดก็ได้ทาง YouTube และเฟซบุ๊กก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเราถือว่าเป็นการช่วยกันเผยแพร่กระจายทาง YouTube ทาง a c e b o o k นี่ก็เป็นการกระจายความรู้ทางธรรมอยู่แล้ว ใครอยากจะเอาไปถ่ายทอดต่ออีกทีก็ได้อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแถวพัทยาแถวนาเกลนาจอมเทียนบ้านอําเภอก็มีทางเคบิลเขาก็าไปถ่ายทอดต่ออีกทีหนึง่งคำถามต่อไป ค, คำถามจากคุณนาครับกราบนมัสการ์ค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าร่างกายของเรา เดี๋ยวเจ็บ <que> อันนั ah ้นปวดอันนี้ความฝันเมื่อก่อนก็ตรงแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ตรงแต่เราพิจารณาเรื่อยๆว่าของมันไม่แน่นอนทุกอย่างแล้วนึกถึงความตายอย่างนี้เรื่อยๆถูกไหมเช้ค่ะก็ก็ถูกก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปหลงอย่าไปยึดจะไปติด เดี๋ยวเวลามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแล้วจะเสียใจจะทุกข์ใจได้ต้องคิดว่ามันเป็นได้ทุกอย่างคำถามจากคุณตุก๊กเราจะสอนลูกอย่างไรให้เห็นโทษถึงการทำบาปในข้อปานาติบาตเขาชอบไปคุยไปหาคังคกอึ่งอ่างจิ้งจกหอย มาแล้วทำการทดลองจนสัตว์เหล่านั้นตายสอนธรรมะถึงศีลห้าข้อก็แล้วเจ้าคะ่ะตีก็แล้วลงโทษวิธีต่างๆก็แล้วไม่ทราบว่าถ้าให้บวชเนนภาคฤดูร้อนพอจะให้เขาสำนึกได้ไหมเจ้าคะลูกชายเป็นแฝดชายเจ้าค่ะอายุเก้าขวบก็อลองดูเพราะว่าของนี้ก็ต้องบอกต้องสอน ก็อยู่ที่ความฉลาดของคนสอนว่าสอนมีวิธีสอนที่ทำให้เขาเห็นภาพก็ได้บางคนไม่มีสอนวิธีที่เขาไม่เห็นภาพเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้หรือเห็นภาพแล้วเขาไม่เชื่อก็ได้มันก็แล้วแต่ก็พยายามสอนไปเรื่อยๆอาจจะสอนในมุมกลับบ้างบอกให้ถามเขาว่าถ้าเกิดเขาเป็นกบบ้างแล้วเขาจะคิดอย่างไร ถ้าเขาเป็นสัตว์ที่ถูกถูกทรมานบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรว่ามันเป็นความรู้สึกเขาก็กบสัตว์ที่เราทรมานเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเรา <ule mon> เขาทุกข์เราเราทรมานเขาเขาทุกข์ถ้าเราทุกเขาทรมานเราก็ต้องทุกข์เหมือนเขาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปเราก็อย่าไปทำเขาเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ พอเราไปทําเขาแล้วถ้าเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาทําเราเขาก็จะทําเราต่อไปคําถามจากคุณอู้ถ้าเรามีปัญหาแล้วทําให้คิดมากแต่พอได้ท่องอิติพิโสแล้วทําให้ใจสบายไม่คิดอะไรเลยถูกต้องไหมครับและท่องพุทโธด้วยครับก็เป็นวิธีที่เราจะระ ง, งับความวุ่นวายใจได้ชั่วคราว แต่ถ้าเราหยุดสวดหยุดท่องเมื่อไรแล้วเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาก็อาจจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้แต่ก็ดีเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ยังไม่ถาวรถ้าอยากจะให้ถาวรหลังจากที่ใจเราสงบแล้วลองใช้ปัญญาลองใช้ไตรลักษ์เข้ามาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเป็นไตรลักษ์เราไม่สามารถที่จะไปขี้คายหรือไปเปลี่ยนแปลงมันได้ มันจะเป็นปัญหาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับมันยอมรับกับปัญหายอมรับกับเหตุการณ์ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็รับมันไปอยู่กับมันไปหรือแยกกันไปแล้วแต่เหตุการณ์จะเป็นไปใจเราก็จะหายทุกข์กับเรื่องราววุ่นวายต่างๆได้เอาคําถามสุดท้ายนะครับคาถามจากคุณอิ๋ว แม่มีที่เปล่าให้คนเช่าต่อมาคนที่เข้าไปใช้พื้นที่ฝันว่าเจ้าที่ว่าไม่มีใครมากราบไหว้เขาเลยคนที่ฝันเลยเอาข้าวของไปไหว้แล้วเขาก็ถูกหวยมาสองถึงสามงวดแล้วเขาก็ไปขุดเอาสารเก่าที่ถูกดินปิดอยู่มาตั้งขึ้นและบอกว่าให้พร้อมกว่านี้จะซื้อสารใหม่เลยควรให้เขาตั้งไหมคะ และจะทําอย่างไรถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วยังมีสารอีกหนูเชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่มีจริงค่ะก็แล้วแต่ถ้าเราจะปล่อยก็ทําก็ปล่อยไปไม่ปล่อยก็บอกเขาหยุดไปได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาไม่มีมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรถ้าเราไม่ไปสร้างสารพระภูมิถ้าเราไม่ได้ไปเชื่อตามที่เขาเชื่อ แล้วถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อบุญเชื่อกรำเนี่ยเราก็ไม่ลบหลู่เขาจะเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อไปแต่ถ้าเป็นที่ของเราถ้าเราไม่อยากให้เขาสร้างสารพระภูมิก็บอกก็ได้อถ้าเขาอยากจะสร้างถ้าเราอยากจะให้เขาสร้างก็สร้างไปมันเป็นสิทธิของเราเอาแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำมังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด